อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมารับรุ่นกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าคร่งค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ออกอากาศพร้อมกันนะคะทั้ง AM และ FM ค่ะ FM 92.5MHz ส่วน AM นั้นก็คือ8 9 1ร้อลเฮนะคะออกอากาศจากศูนย์กลาง แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราในส่วนต่างจังหวัดก็รับสัญญาณจากส่วนกลางนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนําสาระธรรมะดีๆที่จะเป็นข้อคิดจากคําสอนขององค์พระศาสดาสมุทธเจ้ามาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่30ก็คืออาทิตย์สัปดาห์ที่หของเดือนนั่นเองนะคะ30ตุลาคม 2,554 ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้าเดือน12นะคะปีเถาะค่ะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนปีนะคะยกเว้นในเดือนหน้าถัดไปหลังจากลอยกระทงแล้วเราก็คงจะเปลี่ยนปีไปในช่วงที่ท้ายของเดือนนะคะเพราะว่าในเช้า ว, วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะดิฉันจะได้นําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการแล้วก็รับฟังการสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโน ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากอนท่านเจ้า อ, อาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสิการพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุลโลพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสิการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเาขาชิญพรสาทุเจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์จะได้นําธรรมะจาก องพระธรรมสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งจ่ายทรพัพย์มามาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังหรือสากกษายท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นความรู้กันใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าคิดว่าช่วงนี้ทรัพย์ทั้งหลายคนที่ประสบภัยนะทรัพย์ก็คงจะต้องแบ่งใจในลักษณะไหนคนที่ยังไม่ประสบภัยนะทรพัพย์ควรจะแบ่งใจในลักษณะไหนซึ่งพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่หมดแล้วก็สําหรับบุคคลที่ ต้องต้องมีเงินว่างกันเถอะคืออย่างคารวาสเนี่ยยังยินดีในทองและเงินอยู่พระเจ้าก็สอนว่าควรจะแบ่งใจทรัพย์ยังไงอย่างพระสงฆ์ผู้ที่ไม่ยินดีในทองและเงินหมายความว่าไม่ได้ทํามากินแล้วเนี่ยเงินทองไม่มีแล้วควรจะทํำยังไงพระเจ้าสอนไม่หมดเลยในรายละเหล่านี้คือไม่ใช่ว่าสอนเฉพาะนักบวชอย่างเดียวที่คุณไม่ยินดีในเงินและทองแล้วแต่ก็ยังสอนประชาชนด้วยที่ยังยินดีในเงินและทองอยู่นะควรแบ่งใจทรัพย์ยังไง ก็เลยคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังที่ทั้งที่ประสบภยัยแล้วก็ไม่ประสบภัยจะช่วยเหลือกันยังไงอย่างนี้น ะ, ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําสอนพุทเจ้าเนี่ยละเอียดรอบคอบรัดกลุ่มทุกแงม่มุมทุกแง่มุมเราเห็นว่าทั้งคนที่ต้องมีเงินทั้งคนที่ไม่ต้องมีเงินก็สอนหมดเพราะฉะนั้นจึงมีรายละเอียดที่อหมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าจะสนใจแล้วก็ถ้าเอาไปใช้นจะเกิดประโยชน์มาก ก, าก็เลยจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะ แล้วตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมหรือว่าสั่งสอนไว้นะเจ้าคะการแบ่งจ่ายทรัพย์ตามหลักพระุทศาสนาของเรานั้นต้องแบ่งอย่างไรจึงจะเหมาะสมอ่าแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ผู้โตองค์ทรงสั่ง ส, งสอนไว้ก็กราบิโมโณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโดดได้เมตตาที่จะสักขฉาเลยเจ้าคะ่ะคือเรื่องของทรัพย์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเงินสด หรือว่าพวกเงินทองอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงที่นาเลือกสวนไล่นาช้างมา้าโคลาเงินทองธนบัตรพันธบัตรรัฐบาลหุ้นตราสารหนี้ทุกอย่างที่เป็นพอจะแปลงเป็นทรัพย์สินได้มีการค้าขายได้นะทา่าทกรรมกรคนใช้บริษัทหุ้นอะไรต่างๆนะถือว่าเป็นทรัพย์สินทั้งหมดในเรื่องของทรัพย์ตรงนี้เนี่ยคือทรัพย์ทั้งหมดที่เรามี อะไรที่พอจะเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้นี้เป็นทั้งหมดรวมถึงทั้งเจ้าพนักงานในบริษัทอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองของเราอะนะทีนี้ตรงทรัพย์สินเงินทองตรงนี้พระพุทเจ้าพูดถึงว่าความที่เราได้มาเนี่ยต้องได้มาโดยการรวบรวมนะกำลังนะคือมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนะเป็นไปโดยธรรมลักษณะนี้ พอได้ซัพย์มาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนอันดับแรกนะอันดับแรกจะต้องรู้ก่อนว่าเออความได้มาของโบกระซับเป็นเท่าไหร่ความสิ้นไปแห่งโบกระซับเป็นเท่าไหร่นะคือหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่ารายจ่ายของเราเนี่ยต้องน้อยกว่ารายรับอย่าให้รายรับเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายต้องให้รายจ่ายท่วมรายรับอย่าให้รายจ่ายมากกว่ารายรับลักษณะนี้ก็คือต้องรู้จากเรื่องกระแสงเงินสดที่เข้าและออกเท่านั้นเองนะซึ่ง แต่บางที่ว่าเมื่อสมัยก่อนลหลายๆปีนู่นเนี่ยเขามีการรลรงให้ชาวบ้านเนี่ยทำบัญชีในครัวเรือนถูกไหมคุณเตอร์ใจค่ะที่ว่าให้จดบันทึกว่าอันนี้ใช้ใจ่ายเท่านี้ค่านั่นค่านี่เ ง, น ง, นงินเข้าเท่าไหร่งเงินออกเท่าไหร่นี่แหละลักษณะนี้แหละที่พระเจ้าแนะนําว่าคุณจะต้องรู้เรื่องของเงินเข้าแล้วก็รู้เรื่องของเงินออกอย่างชัดเจนถ้าพูดเป็นภาษา น, นักบัญชีเขาต้องต้องมีการทํางบประมาณคุณต้องรู้ว่าคุณรับเงินเท่าไหร่คุณ อถอยเงินออกไปเท่าไหร่พระชาปเรียบเทียบเหมือนกับนายช่างทองนะหรือลูกมือของเขาเนี่ยเวลาช่างน้ําหนักเนี่ยเวลาช่างตาช่างเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นช่างตาช่างที่เป็นสองแขนใช่ไหมข้าง <Okay. S 1> หนึ่งก็เอาของอะไรวางไว้อีกข้างหนึ่งก็เอาตุ้มน้ําหนักวางเอาไว้ยกนิดเดียวเขาก็รู้เลยว่าขาดอยู่เท่านี้เกินไปเท่านี้สมัยเด็ ก, ดกอะเมาเคยไปเที่ยวไปเล่นที่ร้านทอง ข้างบ้านเนี่ยเขาเป็นร้านทองแล้วตาช่างสมัยก่อนมันยังไม่ได้เป็นระบบดิจิตอลยังไม่ได้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหม <Okay. S 1> เขาก็จะมีตาช่างทองที่เป็น2แขนนะ่ะแล้วตาช่างทองเนี่ยมันมีความไหวามากเวลาเขายกนะคุณเตืนใจเขายกนิดเดียวเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าขาดอยู่เท่านี้เกินไปเท่านี้ไอเราเนะี่ยยังไม่ทันรู้เลยว่าเขายกแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นาช่างทอง mm. เขามีความชํานาญมากทองขนาดแค่ไม่กี่มิลลิกรัมอย่างเงี้ยเขายังสามารถวัดได้ต้องลักษณะนั้นเลย เพราะฉะนั้นในการรู้ว่าเงินเข้าเท่านี้เงินออกเท่านี้รายรับเท่านี้รายจ่ายเท่านี้เนี่ยมันต้องทุบบาททุกสตางค์บ้างกันเถอะ ท, นทีนี้พอเรารู้กระแสะเงินเข้าแล้วก็กระแสะเงินออกแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องอทราบด้วยว่าอย่าให้รายจ่ายเนี่ยท่วมรายรับให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายนี่คือประเด็นในข้อที่1นึ่งนี้ผมก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีรายได้น้อย นะแต่ว่ากินอยู่อย่างฟุ่มเฟือยนะคนที่มีไรายได้น้อยแต่กินอยู่กับฟุ่มเฟือยเนี่ยก็จะทําให้คนอื่นนะเขาว่าได้ว่าเหมือนใช้ชีวิตอย่างกับคนกินผลมะเดือ่อนะผลมะเดื่อเนี่ยเป็นยังไงคือสมัยที่อาตมายัางอยู่วัดบวร น, นะภาษาแรกที่วัดบวรมันก็จะมีต้นมะเดื่ออยู่ที่ข้า ง, างกุฏิแล้วมะเดื่อเนี่ยมันก็ออกที่ต้นนี้นะมันก็มีลูก ป, ปีละสองครั้งลูกมันก็จะออกมาแดงๆคุณจนใจ เราก็จะมีกระรอกกระรอกสีขาวกระรอกสีดําเนี่ยมันก็จะวิ่งมากินลูกมะเดื่อนี้เวลามันเด็ดออกมากินเนี่ยมันกัดแค่2องสามคำแล้วมันก็ทิ้งเลยแล้วมันก็เด็ดลูกใหม่ออกมากัดอีก2องสามคำแล้วมันก็ทิ้งเลยเด็ดลูกใหม่ออกมากัด2องสาคำแล้วมันก็ทิ้งเลยแอ้เราก็เป็นเป็นกังวลว่าเฮ้ยทำไมมันกัดทิ้งกัดทิ้งเนี่ยเราก็ต้องไปกวาดลูกมะเดื่อนี่อยู่เรื่อยนะเป็นภาระแก่เรานะทำให้เรามาหลังจากที่มาศึกษาพุทธวจนะเนี่ยเราพบว่า เราก็ไม่เข้าใจอะว่าเฮ๊ะทำไมคนกินผลมะเดือ่อเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงนะพอไปนึกถึงเหตุการณ์นี้เจ้ากระรอกเนี่ยมันกินนิดเดียวมันทิ้งเลยโอ้เราจึงเข้าใจว่าอ๋อคนกินผลมะเดือ่อเนี่ยมันกินทิ้งกินกะว้างนะคุณมีรายได้น้อยแต่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุริสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือ่อครูชาเปรียบเทียบอย่างนี้คือเนื่องจากว่ามะเดือ่อเนี่ยมันมีเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามะเดื่อเนี่ยมันมีเมล็ดที่มันเป็นเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างในมันนะนะเหมือนพวกเมล็ดมะเขือทีนี้พอไอ้เจ้ากระรอกเนี่ยมันไปกัดโดนเมล็ดปุ๊บมันก็ทิ้งทันทีนะคือมันกินเนื้อนิดเดียวมันไม่กินเมล็ดมันก็จะทิ้งทันทีนะคือเหมือนกับคนกินผลมะเดื่อลักษณะนี้ก็ทําให้เข้าใจว่าโอ้มันกินทิ้งกินขว้างอย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีรายได้มากแต่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างแรงแค้น ใช้ใจอย่างเขาเรียกว่าเขียมเกินเหตุขี้เหนียวแตนี่ว่ากันเถอะก็ <Okay. S 1> จะมีคนมากล่าวหาว่าโอ้ใช้ชีวิตอย่างคนตายอดตายอยากนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักสมดุลในที่นีนะ้คือไม่ใช้ใจาา่ายประคัพปรมากเกินไปถ้ามีเงินมากคุณจ่ายมากก็ได้ถ้ามีเงินน้อยคุณจ่ายน้อยก็ได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยต้องสมดุลกัน นะอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายคุณมีเงินมากคุณใช้จ่ายมากได้คุณมีเงินน้อยคุณใช้จ่ายน้อยได้ตามสถานการณ์อย่างนี้นี่คือประการที่1นึ่งประการที่2องนะเงินที่มีเนี่ยที่ว่ากระแสเงินออกกระแสเงินเข้ากระแสเงินเข้าเราพูดถึงแล้วนะว่าคุณจะเป็นเงินที่คุณได้มาโดยมีความเพียรยืนขึ้นรุกขึ้นรุ่งรวมด้วยกำลังแขนอาจจะเป็นเงินเก็บที่มีก็ได้ จะไม่ใช่เงินก็อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีอันที่2คือการใช้จ่ายการใช้จ่ายนี้เป็นยังไงจึงเป็นประการที่2ตรงนี้ประการที่2ตรงนี้ก็จะแบ่งได้ออกเป็น4อย่างนะอย่างแรกเนี่ยก็คือใช้จ่ายเงินที่มีนนั้นในการที่จะบํารุงเลี้ยงตัวเองบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาข้าทาสกรรมกรเพื่อนฝูงลูกน้องให้อิ่มหนาให้บริหารให้เป็นสุขโดยถูกต้องนะคือใช้จ่ายพกกระชับ ที่เรามีเนี่ยในการบําบรุงเลี้ยงบุคคลรอบข้างเราทั้ง5้าอย่างที่ได้เคยพูดถึงเรื่องทีท่หกไปใช่ไหมอันนี้เอาสมณะออกไว้สักทิศ1เหลือแค่หทิศนะคือพูดถึงมารดาบิดาบุตรภรยาทาดกรรมกรชายและหญิงนะพูดถึงแค่4ี่ทิศทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาใช่ไหมทิศเบื้องขวาคือบุตรทิศเบื้องหลังคือบุตรภรยาเนี่ยแล้วก็ทิศเบื้องล่างนะคือด้านหน้าด้านล่างด้านหลังเนี่ย ให้เลี้ยงให้อิ่มหนำให้เป็นสุขโดยถูกต้องนะคือลูกน้องเราก็ต้องบํารุงเลี้ยงเขาอะนะทีนี้การบํารุงเลี้ยงตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้บริหารอยู่ให้อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องเพราะนั้นก็บอกคร่าวๆนะลักษณะนี้ว่าเอออันดับที่1 น, นะคุณต้องใช้ใจ่ายทรัพย์ในข้อนี้ก่อนอันดับที่2นอกจากนั้นกระแสงเงินสดที่เข้ามาเนี่ยกระแสงเงินที่เรามีอยู่หรือว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยต้องใช้ใจ่ายในกรณีที่2ด้วยก็คือป้องกันตน ปิดกั้นอันตรายจากภัยที่จะเกิดจากไฟไหม้น้ำท่วมนะโจรขโมยพวกนี้เราต้องใช้ทรัพย์เนี่ยในการที่จะปิดกั้นตัวเองจากภัยเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินของตัวเองเนี่ยคนที่ยังน้ำไม่ท่วมใช่ไหมถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินไปในการซื้อกระสอบทรายทำผนังกั้นหรือว่าจ้างช่างมาทำปกปิดบ้านให้เรียบร้อยอันนี้ถือว่าคุณใช้จ่ายทรัพย์โดยถูกต้องในฐานที่2 น อ, นอกจากนี้กรณีที่3คุณต้องเผื่อเงินไว้ด้วยนะใช้จ่ายในกรณีที่3นะั้นคือใช้จ่ายในการสละนะทําพลีกรรมคือคือให้ให้ในที่นี้คือสงเค ร, นะราะห์ญาตินะสงเคราะห์แข่สงเคราะห์ผู้ที่ล่วงรับเป็นแล้วช่วยชาติลักษณะนี้คือเรามีเงินอยู่ใช่ไหมมากน้อยไม่เป็นไรแต่เราต้องเผื่อช่วยคนอื่นด้วยคนที่ประสบภัยใช่ไหมเราแบ่งจ่ายเงินสักหน่อยเท่าที่เราพอจะเจียดได้ให้คนนั้นให้คนที่ประสบภยัยอันนี้จะอยู่ในข้อที่3ม อย่างการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งบริจาคช่วยสมทบทุนสภากาชาดอย่างเงี้ยนะหรือบริจาคให้รัฐบาลเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยตรงนี้จะอยู่ในข้อที่3นะคือช่วยชโชชาติเป็นราชพลีในกรณีนี้นะนอกจากนั้นคุณต้องเหลือเงินสักส่วนหนึ่งหรือทรัพย์สักส่วนหนึ่งในการที่จะทําทักษิณาทานอุทิศให้แก่สมณพราหมณนะ์ผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนัะคือใช้ใจ่ายเป็น ปัจใจสีอันควรแก่สมณะบริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นว่าคุณมีแกงหม้อหนึ่งเนี่ยทำกับข้าวาหม้อหนึ่งเอาส่วนหนึ่งแบ่งไว้ให้ลูกเมียลูกเต้าลูกน้องอพวกข้าทาสกรรมกรกินส่วนหนึ่งเราเอาแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างอันนี้จะอยู่ในข้อที่สามส่วนหนึ่งเราก็แบ่งให้สมณะบ้างลักษณะนี้นะเหมือนอย่างสมัยก่อนที่ ชาวไทยเขาอยู่กันแล้วทแกงมาหม้อนึงแบ่งจ่ายให้คนข้างบ้านอะไรลักษณะนี้นะคุณตใจใชค่ะอันนี้คือลักษณะ4อย่างเนี่ยคือการแบ่งจ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องถ้าเผื่อว่าทรัพย์ของเราหมดไปสิ้นไปโดยไม่ครบ4สถานนีนะชื่อว่าใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราใช้จ่ายทรัพย์ใน4สถานนี้ชื่อว่าใช้จ่ายรัพย์โดยถูกต้องอันนี้ประนุษยจไม่ได้กําหนดปริมาณว่ามากน้อยเท่าไหรนะ่ก็คือเราต้องพิจารณาเอง นะพิจารณาเองในที่นี้ก็ดูตามความจําเป็นอย่างสมณะอย่างเงี้ยก็ไม่รับเงินและทองอยู่แล้วดังนะนั้นก็ใช้ใจ่ายในปัจจัย4ีอันควรแก่สมณะจบจริโภคอย่างบางคนอาจจะบริจาคที่ดินให้พระมาอยู่นะมาบําเพ็ญภาวนาอย่างนี้ก็ก็สามารถทําไดนะ้พระก็ใช้ที่ในการที่จะประพฤติสมณะธรรมอันนี้ก็ชื่อว่าใช้ใจ่ายที่ดินของเราเนี่ยในการบํารุงเลี้ยงสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็เงินส่วนหนึ่งเราก็ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยเงินส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ในการป้องกันภัยไม่ให้ตัวเองเกิดอันตรายเงินส่วนหนึ่งเราก็ใช้ในการบํารุงเลี้ยงตัวเองคนรอบข้างให้อิ่มน้าให้เป็นสุขโดยถูกต้องคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีร้อยล้านพันล้านคุณถึงจะทําสิ่งนี้ได้นะคุณมีสักเท่าไหร่คุณก็ทําได้นะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นจํานวนเงินนะมันเกี่ยวกับว่าการใช้จ่ายทรัพย์ อาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นกําลังแรงที่เราไปช่วยอย่างนี้ชื่อว่าการบริหารตนให้ถูกต้องโดยการใช้จ่ายทรัพย์ตรงนี้คุณมีน้อยคุณก็ให้น้อยคุณมีมากคุณก็ให้มากตามสัสดส่วนที่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคือมันมีหลายคนคุณเดิอนใจเข้ามาคุยกับอาตมาโดยเฉพาะยิ่งพวกที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเริ่มทํางานอย่างนี้นะก็บอกว่าใช้ชีวิตชั้นนะต้อง ทำงานไปก่อนให้ได้เงินสักร้อยล้านนู่นแหละถึงจะมาทําบุญทํากุศลเพื่อสังคมว่าอย่างงั้นอาตมาก็มาคิดว่าคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้าคุณมีตอนนี้คุณทําได้เลยทําไมคุณจะต้องไปลําบากตรากตราําในการที่จะทําตัวเองให้ร่ําให้รวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแล้วก็ถึงจะเพิ่งจะมาคิดว่าจะให้คนอื่นก็ในเมื่อตัวเองตอนนี้เนี่ยทำไมเราไม่มามีความสุขตั้งแต่ตอนนี้โดยการให้ทานเลยนําออกมีน้อยเราก็ให้น้อยมีมากเราก็ให้มากตามสัดส่วนที่มี นะไม่จําเป็นว่าต้องมีมากถึถงขอยให้ตรงนี้เราจะถูกกับดักของมานไงมารเนี่ยมันจะมาคอยหลอกเราว่าเฮ้ยคุณมีน้อยอยู่คุณอย่าเพิ่งให้เลยตรรนีเกี่ยวไว้ก่อนนะประหยัดไว้ก่อนงกไว้ก่อนห่วงไว้ก่อนแลนะยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยยิ่งหวงไว้ก่อนตัวเองนี่ต้องเพื่อตัวเองอย่างเดียวมันจะไปไม่ได้สังคมจะไปไม่ได้นะยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องยิ่งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เพราะว่าจิตเนี่ยคุณตระจรเนี่ยหรือเปาเวลาที่เรามีทรัพย์เนี่ยนะเราสละออกไปอย่างเงี้ยโอ๊ยนี่ของฉันของฉันของฉันเไม่ใช่ของฉันล้ให้เขาแล้กันจิตเราจะเบาสบายนี่คือจุดประสงค์ของการให้ทาน <Okay. S 1> ตรงนั้นเนี่ยเราบุญเกิดทันทีนะสมมุติเรามีเงินอยู่เท่านีา้หรือมีของสิ่งนี้เรารักมากเลยเออตายเราก็เอาไปไม่ได้เอางให้ให้เค้าแล้วกันเอาให้ตรงเนี้ยจิตเราจะเบาสบาย จิตที่เบาสบายอย่างนี้แหละจะเป็นจิตที่เกิดบุญละเพราะเกิดบุญตรงเนี้จิตมีความสุขนะจิตมีความสุขสามารถจะคิดการงานที่ทําสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นอย่างดีมากขึ้นเวลาเราทํางานเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพออกมาดีมากขึ้นก็จะเป็นกระแสแห่งบุญที่มันจะสนับสนุนชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยระพุทธเจ้าจึงบอกอย่ากลัวบุญนะอย่ากลัวบุญเวลาบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขอย่ากลัวบุญเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำทำน้อยก็อย่ามาคิดว่าโอ้ยฉันมีแค่นี้เขาจะได้ประโยชน์ล้อนั่นแหละเป็นความคิดที่ผิดนะเพราะถ้าคิดอย่างนั้นคุณจะไปได้บุญไม่มากนะถ้าเราก็ทำให้ทานโดยความคิดที่ว่าเออใครที่ได้รับสิ่งนี้ไปนะถ้าเขาจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นสิ่งดีแค่นี้เราจะสบายใจน้อยมากไม่ไม่สคัญสาคัญอยู่ที่สภาวะจิตของเราให้มีอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อย แล้วก็ในเวลานี้มันเป็นเวลาที่ต้องช่วยเหลือกันณนะเวลาช่วยเหลือกันเนี่ยน้อยมากเนี่ยกระแสความดีมันจะสะพัดไปกระพือไปณนะคนนั้นเขาก็เห็นว่าโอ้ยโ อ, โอ้คนนี้ขนาดเขามีน้อยอย่างนี้เขายังทําน้อยนะไอ้ฉันมีอย่างนี้มันก็คือมันจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคุณเตือนใจนะึกออกไหมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งใน2บุบบคคลประเภทที่2ทีเ่เป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกคือบุคคลที่อุปกา ร, ระผู้อื่นก่อน เป็นบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนหรือว่าบุคคลที่ตอบแทนบุญคุณคนอื่นที่อุปการะแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นสองบุคคลที่หาได้ยากในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามาช่วยอุปการะกันตรงนี้ในเรื่องของทรัพย์ก็ดีในเรื่องของแร ง, ง ank, ที่เรากําลังแรงกําลังใจที่เรามีเนี่ยนะมันไปได้สังคมไปได้มันจะหมุนเหมือนเหมือนกับหมุนธรรมจักรของพระเจ้าอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกั น, นไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะใช่ใ <dedic jamais S 2> ช่เพราะฉะนั้นสื่อ ส, สื่อเนี่ยต้องช่วยกัน ในการที่จะยิ่งประโคมข่าวดีๆคนนี้ทําความดีโอ้ดีแล้วคนนี้ก็ทําความดีโอ้โหยกย่องอย่างนี้นะคนอื่นเขาเห็นเนี่ยคือพอคนอื่นเห็นเนี่ยมันมีภาษาทางตาภาษาทางหูใช่ไหมพอจิตเนี่ยถูกมีความคิดในเรื่องของการช่วยเหลือการเป็นกุศลเนี่ยจิตน่ำย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมีความคิดอย่างใดจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพอเราเห็นเขาช่วยกันช่วยเหลือกันเนี่ยเราจะยิ่งช่วยเหลือกัน อย่างในช่วงปันเมืองที่ผ่านมาคุณเตือนใจจาได้ไหมที่มาออกทีวีด่ากันออกทีวีว่ากันเนี่ยกระแสนี่มันก็พัดไปเพราะว่ายิ่งเห็นคนอื่นด่ากันว่ากันเราก็ยิ่งมีจิตที่จะน้อมไปในแนวทางนั้นตอนนี้เราต้องมาช่วยกันนะให้ข่าวดีเกิดขึ้นให้คนพูดเรื่องดีๆนะพูดเรื่องการช่วยเหลือกันกระแสนี้มันจะพัดไปนะมันจะช่วยเหลือกันได้ค่ะก็เหมือนกับเป็นการต่อบุญไปอีกนะเจ้าคะใช่ใช่เจ้าค่านะคเพราะว่า เพราะว่าเราปฏิบัติดีเนี่ยอย่างเช่นการอาศระหรือให้ทานมากน้อยตามแต่ที่เราจะมีกำลังทำเนี่ยก็ได้บุญเสมอกัร น, นะเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์นแนะนำมาใช่แล้วคนที่ทำความดีแล้วชักชวนคนอื่นทำดีนะจะเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีพุทธเจ้าพูดถึงคนดีเนี่ยคือคนที่ทาความดีใช่หให้ทานก็ตามช่วยเหลือเขาก็ตามเนี่ยแล้วชักชวนคนอื่นมาทำความดีนะอันนี้เป็นสัตว์บรุษคือคนดีที่ยิ่งกว่าสัตว์บรุษ นะยิ่งดีมากๆเลยโดยเฉพาะสื่อนะยิ่งคุณถ้าโหมขาทําความดีเนี่ยคุณก็เป็นคนดีนะคุณเรือกพูดเรื่องดีๆของเขาคุณยิ่งได้บุญด้วยเพราะปากเราก็มีแต่สิ่งที่ดีๆออกมานะในกระทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันถ้าคุณชักชวนคนอื่นทำชั่วคุณยิ่งได้บาปเพราะฉะนั้นในทางเนี้ยเราชักชวนกันทําดีน่าจะยิ่งได้บุญแล้วบุญเนี่ยจะพาเรารอดจากสถานการณ์ต่างๆอย่างน้อยจิตเราก็มีความสุข ก็คือถ้าเผื่อว่าเราทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์สินของเรานะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าคําว่าจ่ายทรัพย์ในที่นี้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่หมายถึงแค่เป็นเงินทองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องอื่นๆครอบคลุมไปอีกหลายอย่างด้วยนะเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของการให้ทานด้วยและโยมก็จําได้ว่าพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเคย สนทนาในรายการธรรมรั บ, บุรุนของเราเจ้าค่ะว่าเราจะได้เนื้อนาบุญหรือว่าได้บุญมากเนี่ยก็จะต้องอตั้งจิตอยู่ที่จิตของเราในระหว่างก่อนจะทำบุญแล้วก็ระหว่างที่ทำบุญกันจริงๆแล้วก็หลังจากทำบุญแล้วต้องไม่มีความเสียดายหรือไป น, นึกอย่างนู้นอย่างนี้อีกอันนี้ก็จะทำให้บุญเรานั้นได้ได้เต็มถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะและโดยเฉพาะอย่างนี้ก็ทากับพระ หรือว่าผู้ที่ทรงศีลที่เคร่งเคร่งครัดจริงๆที่เป็นครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์จริงๆนี่ก็ยิ่งทําให้บุญนั้นเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมเจ้คาค่ะใช่ก็พระพุทธเจ้าจึงแบ่งให้จ่ายทรัพย์4ส่วนนะส่วนหนึ่งก็ทําสมณะด้วยส่วนหนึ่งก็ช่วยชาติด้วยเพราะในกรณีอย่างเนี้ย เ, เราก็แบ่งจ่ายทรัพย์ช่วยชาติด้วยนะส่วนหนึ่งเราก็บําบํารุงเลี้ยงสมณะที่ถวายปัจจัยอันควรแก่สมณะเจริญพกลักษณะนี้นะก็จะได้เป็นทางแ่งบุญ ในขณะเดียวกันเราก็ช่วยชาติด้วยก็ได้บุญด้วยอะ่ะได้บุญทั้งขึ้นทั้งร่องเลยแล้ ว, วบุญนี้แหละจะเป็นตัวหนุนที่ทําให้ถึงแม้เราจะประสบภัยอยู่เท้าเปียกอยู่ของถูกน้ําพัดไปอยู่จิตเรายังมีความสุขนะจิตเรายังมีสบายใจได้เจ้าค่ะก็คือเราได้เหมือนกับทําสิ่งที่ดีให้คนอื่นนะเจ้าคะอย่างเช่นที่เราเห็นในเนื้อข่าวหรือว่าที่ออกอากาศมาถ่วยไปนั้นเนี่ย ก็จะเห็นว่าม right in ีบรรดานายทหารจากทุกเหล่าทัพนะเจ้าคะรวมทั้นตำรวจด้วยรวมทั้งอาสาสมัครด้วยที่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะออกมาช่วยการช่วยเหลือพี่น้องให้คนย้ายออกมาหรือว่าช่วยในการที่จะบริการสําหรับที่เป็นศูนย์อุปยบต่างๆนะเจ้าคะสิ่งที่รัฐบาลได้ได้เปิดไว้ให้เป็นศูนย์มากมายนั้นเนี่ยก็มีอาสาสมัครเนี่ยเข้ามาให้บริการกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างแท้จริงอันนี้นี่ คนบุคคลเหล่านี้นี่ก็คือแม้ว่าเขาจะเหนื่อยนะเจ้าค่ะทั้งทำตั้งแต่เช้าถึงข้ามหรืออาจจะเด็กดื่นเนี่ย <ừ> um. อย่างเจ้นทหารเอาเรือออกไปนะเจ้าค่ะรถยนต์อะไรไปช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในใน ท, ที่ที่น้ําท่วมนี้ถึงเหนื่อยกายยังไงแต่ว่าใจเขาก็คงเป็นสุขใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราอุปการะผู้อื่นก่อนนะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกแล้วเราก็บําเพ็ญประโยชน์ นะนี่เป็นทางแหม่งบุญแน่กายเหนื่อยไม่เป็นไรนะเราเปลี่ยนพลังกายตรงนี้ให้เป็นบุญอดทนเข้าไว้ทั้งผู้ที่ไปช่วยเขาทั้งผู้ที่รอความช่วยเหลืออยู่ก็อดทนซึ่งกันและกันให้ภัยการรักใคร่เอ็นดูการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเราจะไปรอดเราจะไปได้เจ้านะค่ะแล้วมีกรณีหนึ่งที่โยมอยากจะกราบข อ, ขอความเมตตาพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนนะเจ้าค่ะได้ได้ไดสากจาระหรือว่าสนทนาธรรม ฝากเป็นแง่คิดเป็นการฝากท้ายรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเหลือเวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะเจ้าคะ่ะสำหรับที่มีพี่น้องประชาชนบางทีลําบากมากๆแล้วก็มีการมาปิดกั้นทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะทําให้มองเห็นว่าเราลำบากอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ลําบากเลยเก็เลยทําให้จิตอาจจะตกไปแล้วก็ทําให้เกิดมีแบบโมโหโทโส ข, ขึ้นมามีการทะเลาะ<อ>บบาแวงกันอันนี้พระอาจารย์เมตตาให้สตินิดนึงเถอดเจ้าค่ะกราบนเจ้าคะ่ะ อาจจะมาก็จะต้องใช้คุณธรรมที่พระราชาพูดถึงอยู่บ่อยๆนั่นคือความอดทนนะคนเราเนี่ยจะงดงามได้เนี่ยมันต้องอดทนนะมีความอดทนและก็ความสงบเสงี่ยมนะจะเป็นผู้ที่งดงามอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้แล้วเราก็ไม่เบียดเบียนกันนะ่ะ เ, เวลาที่เราประสบความทุกข์แล้วเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราประสบความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการให้คนอื่นเจอทุกข์อย่างนี้เหมือนเรานะเมื่อเราเจอความทุกข์อย่างนี้เราควรจะหาทางแก้ด้วยกัน ความสุขที่เกิดจากในภายในแล้วก็ให้มีเมตตากันตรงนี้มันทำได้ง่ายๆโดยการเห็นความไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่ า, าคนนู้นเปียกแล้วเราจะหายเปียกมันไม่ใช่แล้วเราก็จะช่วยเหลือกันยังไงล่ะเราก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยทํานี่แหละใช้ธรรมมัววิไนนะทําให้จิตของเราสบายอยู่นะเราก็ให้ย้อนมาที่จิตอย่าย้อนไปข้างนอกนะกล่าวหาข้างนอกนี่มันกล่าวหาได้ทุกคน คนนั่งอยู่เฉยๆนี่นะพายเรืออยู่เรายังไปด่าเขาได้หรือคนที่เขาช่วยทําเขื่อนอยู่หรือว่าทําอะไรอยู่เนี่ยเราก็ไปด่าเขาได้แต่พระเจ้าเนี่ยให้ย้อนเข้ามาที่ตัวเองนั้นโดยดูที่ตัวเราเองตัวที่จิงของเราเองเราไม่พอใจใช่ไหมเราละตรงนี้ได้ในยังน้อยจิตต่อสบายนะมีนาทีนั้นแล้วเราค่อยหาทางแก้โดยรวมต่อไปหลังจากไปเาก็ทำสุดฝีมือแล้วองค์กรต่างๆก็ทำสุดฝีมือทหารก็ทําสุดฝีมือชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันไม่มีเวลาไหนใน ประสาทประเทศไทยนะที่เราจะต้องช่วยเหลือกันมากเท่าตอนนี้เพราะเราจะต้องทําจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมถ้ามาด่ากันว่ากันเนี่ยเราจะไปไม่รอดเราให้คิดอย่างนี้เราจะไปรอดได้นะคุณเตือนใจเจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าทุกคนทุกฝ่ายนะเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารสามเหล่าทัพรวมทั้งตำรวจแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้รับผิด ช, ชอบตามกระทรวงทบงวงกลมต่างๆรวมตลอดไปถึงชาวบ้านที่ประสบ อุทกภัยอยู่เป็นเวลาค่อนข้างจะนานในขณะนี้ถ้าทุกคนมีอาจิตเมตตาต่อกันนะเจ้าคะแล้วก็ทำดีต่อกันนั้นเนี่ยก็คิดว่าก็คงจะทำให้ทุกฝ่ายทุกคนนั้นเนี่ยมีใจสงบมีใจเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าเราจะกายจะตกทุกข์ได้ยากก็คือต้องประจนกับอุทกภัยต่างๆถูกไหมเจ้าคะใช่ออดทนเอาอดทนเอาผ่านได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นการฝากท้ายรายการ ธรรมร บ, บรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม2554นี้นะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโ น, โนลูกศิษย์เอกของประเดษพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาอาสากัะชั้นหรือพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการ แบ่งจ่ายทรัพย์ว่าทําอย่างไรถึงจะเหมาะสมแล้วก็แบ่งจ่ายทรัพย์อย่างไรจึงจะได้บุญกุศลด้วยทําให้เราสบายใจได้รับบุญกุศลมีอนุสงฆ์ที่ดีๆมีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องพาท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะคะกราบนมัสการลาพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6เดือนพฤศจิกา ย, ยนค่ะ มาสากชาหรือสุทนาธรรมะกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เรามากราบลาแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ไพบุญอภิบุญโญพร้อมกันนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกับนมัสการลาเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเริยพานชาทูเจ้าข